กำลังปลอดทั้งดจิตศรัทธาเป็นความเื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสารที่เก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภ า, ารกิจการงานต่างๆ เดี๋ยวได้ตังใจมาทำมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาความเชื่อในการตัดสินของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อในพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนอันประเสริฐ และความเชื่อในพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการแก่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการตายเกิดจากการพลาดพลากจากกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติเ <c oughs> พราะถ้าเราปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินี้ก็จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเชื่อเฉยๆก็ยังไม่เป็นประโยชน์เพราะเหมือนกับการดูแผนที่ที่จะพาเราไปสู่ขุมทรัพย์ แต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางไปตามแผนที่เราก็จะไปไม่ถึงขุมทรัพย์ที่เราต้องการฉันใดการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนเชื่อพระอรหันตสาวกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนไม่ได้ปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้า และพระอาลหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราก็จะไม่ได้รับผลแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตสาวกได้รับกันก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาปฏิบัต ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เรามีความเชื่อแล้วเมื่อเชื่อแล้วเราก็ต้องทำตามเหมือนเราไปหาหมอเวลาที่เราไม่สบายหมอก็ให้ยามาแล้วก็บอกว่าให้กินยา สมเวลาก่อนอาหารก่อนนอนสี่เวลาก่อนนอนถ้าเราเชื่อหมอแต่เราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่ได้รักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราเชื่อแล้วเรารับประทานยาตามที่หมอสัง่งไม่นานพ อ, อยาได้เข้าไปในร่างกายยาก็จะทําหน้าที่ ไปรักษาร่างกายทำให้ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บํำสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจโรคใจคือโรคของความทุกข์ต่างๆทุกข์พ่อหวงทุกข์พ่อห่วงทุกข์พ่อสูญเสียทุกข์พ่อวิตกกังวลทุกข์พ่อหวาดกลัวทุกข์พ่อเบื่อนาย ทุกข์เพาะลำคาญใจทุกข์เพาะหงุดหงิดใจคือความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะ น, นี้ต่อให้เราหาเงินมาได้กี่ร้อยล้านพันล้านความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่หนีออกไปจากใจเราจะไม่หายไปจากใจของเราเพราะเงินทองกองเข้าภูเขานี้จะไม่สามารถขับไล่ความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแต่กลับจะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมีความหยวงมากขึ้นมีความห่วงมากขึ้นมีความวิตกกังวลมากขึ้นยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่มีไปนั่นเองแต่ไม่มีใครที่จะสามารถรักษาสิ่งต่างๆ ที่เราได้มาให้อยู่กับเราไปตลอดได้เพราะสิ่งต่างๆนี้มันไม่เที่ยงและตัวเราคือร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันจบถ้าเราไม่จากมันไปก่อนมันก็จากเราไปก่อนแล้วพอเวลาจากกันเราก็สูญเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลอก เพราะเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาแทนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราได้มาเรากลับไปยึดไปติดและกลับไปอยากให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอันนี้ยิ่งจะทำให้เราทุกข์มากขึ้นไปความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยาก ให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปนานๆไม่ให้สิ่งต่างๆจากเราไปแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดและเราก็ไม่สามารถอยู่กับมันไปได้ตลอดเพราะร่างกายของเราอย่างมากก็แค่ร้อยปีมันก็ต้องลาจากโลกนี้ไปพอร่างกายตายไปสมบัติเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆ ที่เราได้มาก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจเศร้าโศกร้องห่มร้องห้เพราะว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางที่เราไม่ปล่อยวางเพราะเราไม่คิดกันว่าเราจะต้องจากกันเรามักจะคิดว่าเราจะอยู่กันไปนานๆอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันพัดผ่าจากกัน พอไปเจอความจริงเข้าก็เลยร้องโหงร้องไห้กันเพราะไม่อยากจากกันแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องจากกันแล้วเราก็มาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมปล่อยวางแล้วพอถึงเวลาจากกันเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจ ถ้าเราคิดว่าเป็นเหมือนของที่เรายืมของมาเวลาเราไปยืมของของคนอื่นนี่เราจะไม่ยึดไม่ติดกับของของเขาเราจะเตรียมเอาไปคืนเขาพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องรีบเอาไปคืนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปคืนเดี๋ยวเขาก็มาทวงเอาไปอยู่ดีแต่ถ้าเราพร้อมที่จะคืนให้เขาไป เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราก็จะไม่รู้สึกจับทุกข์แต่อย่างใดฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาและมีอยู่ในขณะนี้มันเป็นของยืมเขามาทํนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆนี้เป็นเหมือนของยืมเขามา เงินทองก็ยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปตำแหน่งต่างๆก็ต้องคืนเข้าไปการสรรเสริญยกย่องเยอนเยอเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปสิ่งต่างๆข้าวของเงินทอง <c oughs> บุคคลต่างๆเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปแต่พวกเราลืมไปไปคิดว่าเป็นของเราพอไปเป็นคิดว่าเป็นของเรา เราก็เลยห่วงพอหว่วงเราก็ต้องห่วงห่วงว่าจะไม่อยู่กับเราห่วงเพราะไม่อยากให้ไปอยู่กับคนอื่นแต่ห่วงยังไงห่วงยังไงก็ห้ามไม่ได้เพราะถึงเวลามันต้องคืนเขาไปพระพุทธเจ้าบอกสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ที่เราได้มาที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราแต่พวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดให้พร้อมที่จะให้เขาไปอย่างวันนี้ท่านก็สอนให้เรามาหัดปล่อยวางเช่นเอาเงินทองที่เรารักเราหวงนี้มาทําบุญ แต่เราไม่รู้สึกเสียใจเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเรายินดีที่จะเสียเงินก้อนนี้ไปถ้าเรายินดีจะเสียแล้วแทนที่จะทุกข์กับมีความสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเวลาที่เราสูญเสียบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆไปเราต้องยินดีเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจ พ ร, พร้อมที่จะทำบุญทุกเวลาถ้าถึงเวลาจะต้องยกสามียกภรรยาให้คนอื่นไปก็ยินดียกให้เขาไปถ้ายินดีแล้วจะมีความสุขถึงเวลาต้องยกลูกหลานไปก็ยินดียกให้เขาไปลูกหลานจะตายก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปเหมือนกับเงินทองมันจะหายไปก็ให้คิดว่าเป็นการทำบุญไป ตำแหน่ง ต, งต่างๆที่เราได้มาถ้ามันจะต้องเสียไปก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปให้คนอื่นไปถ้าเรายินดีจะให้แล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขเหมือนวันนี้ญาติโยยินดีเอากับข้าวกับปลาอาหารของขา้าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเอามาถวายพระแทนที่จะเสียใจร้องห่มร้องไห้ กับมีความสุขใจกันเพราะอะไรเพราะยินดีที่จะให้ยินดีที่จะเสียนี่คือเหตุผลของการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำบุญบุญคืออะไรก็คือความสุขใจที่เกิดจากการกระทำของเรานี่ถ้าเรายินดีเราจะสุขใจถ้าเราไม่ยินดีเราจะทุกข์ใจ นี่คือใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราถ้ายินดีที่จะเสียแล้วจะมีแต่ความสุขถ้าไม่ยินดีก็จะมีแต่ความทุกข์ตอนนี้พวกเรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันทุกข์กันใช่ไหมเพราะไม่ยินดีที่จะเสียใช่ไหมไม่ยินดีที่จะเสียเงินทองไม่ยินดีที่จะเสียตำแหน่งสูงสูงไม่ยินดีที่จะให้คนเข้ามาด่ามาว่า ยินดีแต่การสรรเสริญยกย่องเยือนยอมไม่ยินดีกับการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เราใช้เสกที่ให้ความสุขกับเราให้มาอยู่วัดถือศิ่แปนี้แทบจะตายให้ได้าะไม่ยินดีเพราะเวลามาอยู่วัดนี้จะไม่สามารถเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เช่นไม่สามารถ ร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไม่สามารถกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วได้ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่สามารถไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราไม่ยินดีพอมาอยู่วัดก็เลยอยู่อย่างไม่มีความสุขแต่คนที่เขายินดีนี่เขาอยู่วัดอย่างมีความสุขเราต้องหับมายินดี กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปวันพระนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหัดยินดีเสียกับรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการถือศีลแปลเราจะไม่เสกกับรูปเสียงกลิ่นรสเช่นการร่วมหลับนอนนี่ก็เป็นการเสกรูปเสียงกลิ่นรสการรับประทานอาหารตามความอยากก็เป็นการเสกรูปเสียงกลิ่นรส การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็เป็นการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสการแต่งตัวเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสำอางต่างๆก็เป็นการเสบ ร, รูปเสียงก ล, ลิ่นรสเสบก็มันติดที่ให้ที่พระเจ้าสอนให้มาหยุดก็เพราะว่าต่อไปมันจะเสบไม่ได้ต่อไปร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บ แล้วมันจะไม่สามารถที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วเวลานั้นมันจะทุกข์กันแต่ถ้าเรามาหัดหยุดเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดกันยินดีที่จะไม่เสบยินดีที่จะไม่หลับนอนกับใครยินดีที่จะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วยินดีที่จะไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ยินดีที่จะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขกันที่เราทุกกันก็เพราะว่าเราไม่ยินดีเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเสียแล้วพอเราติดยาเสพติดนี้เราจะเลิกไม่ได้เราจะยินดีเลิกไม่ได้เพราะมันไม่ยอมให้เราเลิกใจของเรามันไม่ยอมทั้งๆ ท, ที่รู้ว่า เสบแล้วมันเป็นโทษเป็นคิดเป็นภัยแต่มันเลิกไม่ได้เพราะมันติดแต่เราถ้าเราทาตามที่พระุทธเจ้าทรงสอนเราสามารถที่จะเลิกได้เราต้องมาหยุดความติดนี้สิ่งที่ทำให้เราติดก็คือความคิดของเรานี่เรามาหยุดความคิดกันถ้าเราหยุดความคิดได้ความติดมันก็จะหายไป ที่ท่านสอนให้เราท่องพุทโธพุทโธไปนี้ก็เพื่อให้เราหยุดความคิดหยุดความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพราเวลาเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะเกิดความอยากพออยากแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่อยากได้แต่ถ้าเราไม่คิดนี้เราก็จะไม่มีความอยาก ถ้าเราคิดอยู่แต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่เข้ามาสู่ใจของเราเราก็จะไม่มีความอยากที่จะได้มันนี่คือวิธีแก้การที่เราติดสิ่งต่างๆเราต้องแก้ด้วยการหยุดความคิดของเราอย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆเพราะคิดแล้วมันจะทําให้เราอยากทําทให้เราติดแต่ถ้าเราไม่คิด ก็เหมือนกับเราไม่ติดดังนั้นเรามาหัดหยุดความคิดกันด้วยการคิดคําว่าพุโทโธพุโทโธไปแทนอย่าไปคิดอย่างอื่นคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราจะเฉยใจเราจะเย็นจะสบายเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธนี่คือวิธีแก้สิ่งที่เราติดกัน ถ้าเราไม่ใช่พุโทโธไม่หยุดความคิดเราจะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เพราะใจมันจะคิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวก็คิดถึงขนมนมเนยเดี๋ยวก็คิดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวก็คิดถึงภาพยนตร์เดี๋ยวก็คิดถึงเพลงเดี๋ยวก็คิดถึงแฟนคิดแล้วก็เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆพออยากแล้วก็อยู่เ ฉ, ะฉะยๆไม่ได้ อยู่แล้วมันเครียดมันหดเหยิ ด, ดมันนำคาญใจเหมือนคนคิดถึงสุราก็ต้องไปหาสุรามาดื่มคิดถึงกาแฟก็ต้องไปหากาแฟมาดื่มแต่ถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธนี้ก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความหดเหยิ ด, ดเพราะมันไม่มีความอยากที่จะดื่มกาแฟหรือดื่มสุรานั่นเองดังนั้นเวลาที่เรา เกิดความอยากเราต้องรีบใช้พุทธโธมาหยุดมันพออยากได้อะไรนี้ให้ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆท่องไปสักระยะอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องที่เราอยากพอลืมแล้วความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปความหมงุดหงิดความเครียดต่างๆก็หายไปนี่แหละวิธีที่จะทำใจของเรา ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต้องหลุดพ้นด้วยการควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะถ้าคิดแล้วมันต้องลิ่นนนต้องขวนขวายต้องตะเกียก ต, ตะกายไปหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีคำว่าพอได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก ตอนต้นเป็นพลทหารก็อยากจะเป็นนายสิบพอได้นายสิบก็อยากจะได้เป็นจ่าพอได้นายจ่าก็อยากได้นายร้อยได้ในร้อยก็อยากจะได้นายพันได้ใ น, ในพันก็อยากจะได้นายพลได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอแล้วพออยากได้แล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันเครียดเหมือนกันหงุดหงิดเหมือนกัน เป็นในายสิบก็เครียดเป็นในายร้อยก็เครียดเป็นในายพันก็เครียดเป็นในายพลก็เครียดต่อให้ได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็เครียดหน้าไหนที่สุดก็ต้องเสียไปหมดอยู่ดีพออายุหกสิบเขาก็เอาคืนไปหมดเห็นไหมเป็นของยืมเข้ามาใช่ไหมยืมเข้ามาพอครบอายุหกสิบเขาก็มาเอาคืนไปพอเข้าคืนไปแล้วเป็นยังไงไม่มีอะไรแล้ว เศร้าซ้อยหงอยเหงามีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตไม่อยากจะอยู่นี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราพอเราเสียมันเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจพอได้มาก็ไม่มีคำว่าพออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอไม่ได้ก็เสียใจอีก ทั้งงที่ได้มาต้องมากมายแล้วจากคนทหารมาเป็นนายพนแล้วก็ยังไม่พอพอยังไม่ได้เป็นนายพลก็ยังเครียดอยู่ยังทุกข์อยู่ได้เป็นนายพลก็ยังไม่พอพลพอเป็นพลตีก็อยากจะเป็นพลโทพลโทก็อยากจะเป็นพลเอกได้เป็นพลเอกก็อยากจะได้เป็นจอมพลมันได้ไปเรื่อยๆไม่มีวันมันอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ ตามใดที่มีความอยากตามนั้นจะไม่มีความสุขสู้เรามาหยุดความอยากดีกว่าเป็นทหารอยากจะเป็นจา่าอยากจะเป็นนายสิบก็พูดโทพูดโธไปพอใจไม่คิดถึงเป็นนายสิบแล้วก็ไม่เดือดร้อนเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อยู่อย่างนี้สบายกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่ามีความสุขมากกว่าคนที่มีความอยากถึงแม้ว่าจะเป็นจอมพล ก็สู้มีความสุขเท่ากับนลทหารที่ไม่มีความอยากไม่ได้นี่แหละคือความสุขของใจเราหรือความทุกข์ของใจเราอยู่ที่ความอยากหรืออยู่ที่การหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้จะมีความสุขไม่ว่าจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีอะไรเลยก็มีความสุขได้แต่ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ ต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขจะต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมาสร้างความวุ่นวายความไม่ความไม่สงบให้กับใจแล้วไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากได้อยู่ยังอยากจะได้ร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายมาหา สิ่งต่างๆที่อยากได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมามาทุกข์ใหม่นี่หละเราทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเราตายไปไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่ล้านครั้งถ้าเราไม่ปฏิบัต ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามาหยุดความอยากกันด้วยการใช้พุทโธหยุดความคิดพอมีพุทโธหยุดความคิดแล้วความอยากก็จะหายไปพอไม่มีความอยากแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่าะไม่มีความอยากได้ร่างกายอันใหม่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ใหม่ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราจะได้รับวิธีที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไปตลอดด้วยการทำที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำคือให้เราหยุดความคิดต่างๆด้วยพุโทโธแล้วให้เราคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ ไม่ใช่เป็นของเราเราจะต้องคืนเขาไปสักวันหนึ่งไม่ช้ากันเลยถ้าเรายินดีที่จะคืนเราจะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขถ้าเราไม่ยินดีที่จะคืนเราจะทุกข์แล้วเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหมอ่อีกนี่คือสิ่งที่เรานำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าเราปฏิบัติได้แล้ว เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะได้รับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันดังนั้นการมีศรัทธาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอศรัทธาคำสอนแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วถึงจะได้ผล ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพษศีรัตนตรจและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>